อัตมาใครจะแสดงให้ท่านฟังเรื่องสุพรมเทวบุตรจากสังยุตตนิกายสขาทวักอันแสดงถึงอุปเชทกะมรณะความว่าในสมัยพุทธกาลมีเทพบุตรนามว่าสุพรมมาได้ยินว่าเทพบุตรนั้นอันเหล่าเทพอักษรหนึ่งพันห้อมล้อมแล้ว ไปยังสนามกีฬานันทวันนั่งน่อาศนะที่จัดไว้ใต้โคนต้นปาลิชัดเหล่าเทพที่ดาห้าร้อก็นั่งร้อมเท พ, พบุตรนัเหล่าเทพธิดาอีกห้าร้อก็ปีนขึ้นต้นไม้ถามว่าก็ต้นไม้แม้สูงหนึ่งรยโยศก็น้อมลงมาถึงมือด้วยอำนาจจิตของเหล่าเทวดามิใช่หรือเหตุไร เทพธิดาเหล่านั้นจึงต้องปีนขึ้นเล่าตอบว่าเพราะเทพธิดาเหล่านั้นสนใจแต่จะเล่นแต่ขั้นปีนขึ้นไปแล้วก็ขับเพลงด้วยเสียงอันไพเราะทำดอกไม้ทั้งหลายให้หล่นลงเหล่าเทพธิดานอกนี้ที่ไม่ได้ปีนขึ้นเก็บดอกไม้เหล่านั้นเอามาร้อยทำเป็นพวงมาลัยขั้วเดียวกันเป็นต้นครั้งนั้น เหล่าเทพธิดาที่ปีนขึ้นต้นไม้ก็ทำการะจุติด้วยอํานาจอุปัชเชทกกรรมปะหารครั้งเดียวเท่านั้นไปบังเกิดในเอเวจีนรกสวยทุกใหญ่เมื่อเวลาล่วงไปเทพบุะบุก็นึกลำพึงว่าไม่ได้ยินเสียงเทพธิดาเหล่านั้นดอกไม้ก็ไม่หล่นเขาไปไหนกันหนาก็เห็นไปบังเกิดในนรก เกิดลันทดใจเพราะความโศกในของรักจึงดําริว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหล่าเทพทิดาก็ไปตามกรรมตัวเราจะมีอายุสังขารเท่าไหร่กันเล่าเทพบุตรนั้นดําริว่าในวันที่เจ็ดเราก็จะพึงทำการะพร้อมกับเหล่าเทพทิดาห้าร้อยส่วนที่เหลือพากันไปบังเกิดในนรกนั้นเหมือนกัน ลันทศละทมเพราะความโศกที่รุนแรงเทพบุตรนั้นก็ดำริว่าในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกนอกจากพระตถาคตแล้วก็ไม่มีใครสามารถดับความโศกของเรานี้ได้จึงไปเฝ้าสุพรมเทวบุตรยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า จิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิดถ้าเมื่อกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็ตามถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ข้าพระ อ, องค์ทูลถามแล้วขอจงตัดบอกข้อนั้นแก่ข้าพระ อ, องค์ถึงแม้ว่าจำเดิมแต่การที่บังเกิดในเทวโลกโดยปกติเทพบุตรุจะมีความสุขมากแต่บัดนี้ เทพบุตรนั้นกลับเป็นกังวลและหวาดผวามากความกลัวของเขารุนแรงและไม่ขาดสายถึงกับต้องทูลแสดงวาราจิตของตนว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิดเทพบุตรนั้นสะเทือนใจเนื่องจากกิจทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้น กิจทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วคือทุกที่เห็นเหล่าเทพอักษรห้าร้อบังเกิดในนรกส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นทุกที่หนักหนาสาหัสกว่าปันหนึ่งถูกไฟเผาอยู่ในอกเพราะในวันที่เจ็นับแต่วันนี้เทพประบุรพร้อมกับเหล่าเทพทิดาห้าร้อส่วนที่เหลือก็ต้องทำการะพากันไปบังเกิด ในอเวจีนรกนั้นเหมือนกันความสังเวชชักจูงให้เขาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทราบผลทางรอดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านอกจากปัญญาและความเพียร น, นอกจากความสำรวมอินทรีย์นอกจากความสละวางโดยประการทั้งปวงเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย อัฏฐกะถาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสอนให้ถือเอาอินทรีสังวรสมาทานตัปะคุณกล่าวคือทุดงเข้าป่าเจริญกรรมฐานย่อมทำโพชฌงให้เกิดมีพร้อมกับวิปัสสนาอริยมักทานิพพานรมอันใดเป็นอารมณ์แล้วย่อมเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเปลี่ยนเทศนาเป็นสัจจะสี่เมื่อจบเทศนาเท พ, พบุตรและเหล่าเทพธิดาห้าร้อยที่เหลือก็ตั้งอยู่ในโสดาปติพลหลุดพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิตลอดไปพระอริยมรรคละกกิเลสที่นำไปเกิดในอบายภูมิสี่ได้เด็ดขาดช่างวิเศษจริงหนอตรงนี้เราทั้งหลาย จำต้องคิดถึงโอกาสที่สัตว์ไปเกิดในอบายภูมิสี่เปรียบเทียบกับสัตว์ที่ไปเกิดในสุขติภูมิท่านคงจะจำได้ว่าในธรรมบัญญายบทที่หนึ่งมนุษย์กำลังทาอะไรอัตตมาได้อัญเชิญพระพุทธดำรัสจากสังยุตตนิกายมหาวารวักและอังคุตระนิกายเอกานิบาตความว่า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 ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ในปลายพระนขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยว ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยคือเปรตมากกว่าโดยแท้วัตตะสงสารเป็นไปโดยไม่สามารถทราบจุดเริ่มต้นได้ เราได้สั่งสมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมมานับไม่ถ้วนชาติในชาตินี้คนส่วนใหญ่ก็สั่งสมอกุศลกรรมไว้มากกว่ า, ากุศลกรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมก่อนที่ความตายจะมาถึงถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวตายในขณะที่ยังมีเวลาพอที่จะทำเมื่อเราไม่สามารถตัดสรุปธรรมตามความเป็นจริง เราก็อาจเป็นเช่นเดียวกับเหล่าเทพอักษรห้าร้อนั้นคือทำกาละแล้วตกไปเกิดในอบายภูมิส่วนสุพรมเทวบุตรและเหล่าเทพธิดาอีกห้า้อยที่เหลือแลเห็นร่วงหน้าว่าพวกตนก็ต้องตกไปเกิดในอเวจีนรกหากว่าไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตความสังเวชจึงเกิดแก่ตนฉันนั้นเหมือนกัน หากเราทราบว่าเราจะตายในเจ็ดวันและต้องไปเกิดในนรกเราจะเปลี่ยนวิธีชีวิตของเราไหมเราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อรอดจากทุกข์ในอบายภูมิไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แสดงแก่พิสุทั้งหลายว่าหนทางสู่อมตะคือการเจริญมรณะสติในปฏิปทาสูตรที่สาม ความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่พักก่อด้วยอิฐชื่อนาธิกะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นทุนรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายมรณสติ อันบุคคลเจริญแล้วกะทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอย่างลงสู่อมาตะมีอมาตะเป็นที่สุดเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณะสติหากเราเจริญมรณะสติทุกวันทุกเช้าทุกเย็นและทุกคืนความไม่ประมาทย่อมเกิดขึ้นและความคิดชอบย่อมเกิดตามมา หากปราศจากการเจริญมรณสติแห่งตนคนย่อมมัวเมาประมาทหากคนยอมรับความจริงว่าเขาต้องละร่างนี้ไปไม่ช้าก็เร็วเขาย่อมเจริญความไม่ประมาทมากขึ้นและย่อมไม่ทนนงตนมากและไม่เต็มไปด้วยความสำคัญในตนเองเขาย่อมจะถ่อมตนมากขึ้นเขาย่อมยังชีวิตอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน หากเขาเจริญมรณะสติแห่งตนทุกวันย่อมทำให้จิตใจอ่อนโยนสุภาพจิตย่อมน้อมทำกุศลกรรมมากกว่าทำอกุศลกรรมเขาย่อมเลือกประกอบกุศลกรรมเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราย่อมเห็นว่าความทุกข์จากโลภะโทสะอิจฉาและความตนี่ย่อมลดละลงได้ ด้วยการเจริญมรณะสติโดยเฉพาะการระลึกถึงการตายของตนเองพระพุทธเจ้าตัดในคาถาธรรมบทเรื่องทิดาช่างหูผู้เจริญมรณะสติอันนำให้เกิดผลมากและอานิสง์มากแก่เธอดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเจดีชื่อว่าอักคาระวะ ทรงปรารพธิดาของช่างหูคนหนึ่งตัดพระธรรมเทศนานี้ว่าอันทพูตโตอะยังโรโกโเป็นต้นคนเจริญมรณสติไม่กลัวตายความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกชาวเมืองอารวีเมื่อพระศาสดาสเสด็จถึงเมืองอารวีแล้วได้ทุนนิมนต์ถวายทานแล้วพระศาสดา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 ตายตายก็มรณะอันชนทั้งหลายได้ไม่เจริญแล้วในการที่สุดชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงความสะดุง้งร้องอย่างขาดกลัวอยู่ทํากาละเหมือนบุรุษเดินสะดุดถูกอสรพิษแล้วกลัวฉะนั้นส่วนมรณะอันชนทั้งหลายได้เจริญแล้วชนทั้งหลายนั้นย่อมไม่สะดุ้งในการที่สุดดุดบุรุษ เห็นอสสรพิษแตกไกลเที่ยวแล้วก็เอาท่อนไม้เขียดทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นมรณะสติอันท่านทั้งหลายพึงเจริญถ้าเราจเจริญ ม, มรณะสติในขณะที่ชีวิตยังมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละวันทุกเช้าและทุกเย็นเราย่อมจะได้รับอานิสง์มากอันจะทำให้เราปราโมทในภายหลัง ดังนั้นท่านทั้งหลายพึงเจริญมรณสติมรณสติเจริญได้โดยการน้อมจิตระลึกถึงศพที่เคยเห็นมาก่อนที่พ่อเอาตอยะเราสอนจากอานาปานาสติเพื่อเจริญอัปปนาสมาธิจนถึงจตุทฌานเพื่อนําสู่การเจริญอสุภาภาวนาเมื่อแสงแห่งอัปปนาสมาธิสว่างใส เราก็จะให้ผู้ปฏิบัติระลึกถึงศพเพศเดียวกันอันน่าเกียดที่สุดซึ่งเขาเคยเห็นมาก่อนเป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยความช่วยเหลือจากแสงสว่างแห่งสมาธิเขาจะได้รับคาแนะนำให้ดูอสุภนิมิตนั้นให้ชัดเจนเหมือนกับที่เคยเห็นด้วยตาในการก่อนแล้วพึงผูกจิตไว้ในอสุภนิมิตนั้นอย่างสงบ บริกรรมว่าปฏิกูลปฏิกูลเมื่อจิตตั้งมั่นได้ต่อเนื่องที่ภาพศพนั้นราวหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็จะได้บรรลุปฐมฌานในมหาสติปัะธานสูตรและคำพีวิสุที่มักอธิบายว่าวิธีการเจริญมรณะสติต้องเข้าปฐมฌานของอสุภกรรมฐานซึ่งใช้ศพภายนอกเป็นอารมณ์ จากนั้นพึงมนัสิการว่ากายนี้มีความตายเป็นธรรมดากายนี้จกแตกดับเชน่นกันกับผู้นั้นเราไม่อาจรอดพ้นการตายได้โดยผูกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับการตายของตนเราจะพบว่าความสังเวชเจริญขึ้นเมื่อความสังเวชปรากฏแล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะเห็นนิมิตของศพตนเองเข้าแทนที่อสุภนิมิตเดิมเมื่อได้รับรู้ถึงการขาดแห่งชีวิตตินรีในนิมิตของศพตนเองแล้วก็พึงผูกจิตไว้ที่การขาดแห่งชีวิตตินรีด้วยการตรึกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. ชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอน อัตุวังเมชีวิตตังทุวังเมมรณัง 2. ความตายจากมีมารณังพวิสติ 3. ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดมารณะปริโยสานังเมชีวิตตัง 4. ตายตายมารณังมารณังเลือกเพียงหนึ่งอย่าง แล้วบริกรรมในภาษาใดก็ได้ที่เข้าใจดีโดยผูกจิตไว้ที่การขาดแห่งชีวิตตินสีในนิมิตของศพตนแล้วให้มนัสิการโดยแยบคายว่ามรณะจากมีชีวิตตินสีจากขาดหรือว่าตายตายดังนี้เมื่อมนัสิการให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นนิวรกิเลส ท, ทั้งหลายย่อมระงับลง สติมีมรณะเป็นอารมณ์ย่อมตั้งมั่นจนบรรลุอุปจาระฌานย้อนกลับไปที่เรื่องทิดาช่างหูมีความต่อไปดังนี้พระศาสดาสเสด็จประทานโอวาทิดาช่างหูพวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้เป็นผู้ขนขวควในกิจของตนอย่างเดียวส่วนทิดาของนายช่างหูอายุ16ปีคนหนึ่ง คิดว่าโอธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศจรรย์เราเจริญมรณสติจึงควรดังนี้แล้วก็เจริญมรณสติอย่างเดียวตลอดทั้งกลางวันกลางคืนฝ่ายพระศ า, าสดาสเสด็จออกจากเมืองอารวีแล้วก็ได้สเสด็จไปพระเชตวันนางกุมาริกาแม้นั้นก็เจริญมรณสติสิ้นสามปีทีเดียว ต่อมาวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นนางกุมาริกานั้นเข้าไปภายในข่ายคือพยานของพระองค์ทรงใคร่ควรว่าเหตุอะไรหนอจากมีทรงทราบว่านางกุมาริกานี้เจริญมรณสติแล้วสิ้นสามปีตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาของเรา บัดนี้เราไปในที่นั้นแล้วถามปัญหาสี่ข้อกับนางกุมาริกานี้เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่จกให้สาธุการในฐานะสี่แล้วพาสิทธิคาธานี้ในเวลาจบคาถานางกุมาริกานั้นจะตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลเพราะอาศัยนางกุมาริกานั้นเทสนาจากมีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แล้ว มีพิสุประมาณห0 0รูปเป็นบริวารได้เสด็จออกจากพระเชตวันไปสู่อัคระวะวิหารโดยลำดับชาวเมืองอารวีทราบว่าพระาศาสดาเสด็จมาจึงไปวิหารทูลนิมนต์แล้วแม้นางกุมาริกานั้นทราบการเสด็จมาของพระาศาสดามีใจยินดีว่าข่าวว่าพระมหาโคดมพุทธเจ้า ผู้พระบิดาผู้เป็นใหญ่เป็นพระอาจารย์ผู้มีพระพักดังพระจันเพญของเราเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าพระศาสดาผู้มีวันนะดังทองคาอันเราเคยเห็นในที่สุดสามปีแต่วันนี้บัดนี้เราจากได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวันนะดังทองคาและฟังธรรมอันเป็นโอวาทซึ่งมีโอชะ อันไพเราะจับใจของพระศาสดานั้นฝ่ายบิดาของนางเมื่อจะไปสู่ลงหูได้สั่งไว้ว่าแม่พระสาดกซึ่งเป็นของคนอื่นเรายกขึ้นไว้กำลังทอผ้านั้นประมาณคืบหนึ่งยังไม่สำเร็จเราจะให้ผ้านั้นเสร็จในวันนี้เจ้ากอได้หลอดแล้วพึงนำมาให้แก่พ่อโดยเร็ว นางกุมาริกานั้นคิดว่าเราใค่จะฟังธรรมของพระศาสดาก็บิดาสั่งเราไว้อย่างนี้เราจะฟังธรรมของพระศาสดาหรือหนอนแลหรือจะก็ได้หลอดแล้วนําไปให้แก่บิดาครั้งนั้นนางกุมาริกานั้นได้มีความปริวิตตอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่นําได้หลอดไปให้บิดาพึงโบยเราบ้างพึงตีเราบ้าง เพราะฉะนั้นเราก็ได้หลอดให้แก่ท่านแล้วจึงจากฟังธรรมในภายหลังดังนี้แล้วจึงนั่งกอได้หลอดอยู่บนต่างแม้พวกชาวเมืองอรารวีอังคาศพระศาสดาแล้วได้รับบาดยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนาพระศาสดาประทับนิ่งแล้วด้วยทรงดาริว่าเราอาศัยกุลธิดาใดมาแล้วสิ้นทางส0โยช กุลธิดานั้นไม่มีโอกาสแม้ในวันนี้เมื่อกุลธิดานั้นได้โอกาสเราจักทำอนุโมทนาก็ใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไรอะไรกับพระศาสดาผู้ทรงนิ่งอย่างนั้นได้แม้นางกุมาริกานั้นแหล่ก็ได้หลอดแล้วใส่ในกระเช้าเดินไปสู่สำนักของบิดา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 ทอดพระเนตรเราอยู่ย่อมทรงหวังการมาของเราย่อมทรงหวังการมาสู่สำนักของพระองค์ทีเดียวนางวางกระเช้าได้รอดแล้วได้ไปยังสำนักของพระาศาสดาถามว่าก็เพราะเหตุอะไรพระาศาสดาจึงทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นแก่ว่าได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงปริวิตตกอย่างนี้ว่า นางกุมาริกานั้นเมื่อไปจากที่นี้ทำการะกิริยาอย่างปุตุชนแล้วจากเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนแต่มาสู่สำนักของเราแล้วไปอยู่บรรลุโสดาปฏิผลแล้วจากเป็นผู้มีคติแน่นอนเกิดในดุสิตวิมานในว่าในวันนั้น ชื่อว่าความพ้นจากความตายไม่มีแก่นางกุมาริกานั้นนางกุมาริกานั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาด้วยเครื่องหมายอันพระศาสดาทอดระเนตรนั่นแลเข้าไปสู่ระหว่างแห่งรัศมีมีพรรณะหกถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควร้ังหนึ่งพระศาสดาตัดถามปัญหากะธิดาช่างหู ในขณะที่นางกุมาริกานั้นถวายบังคมพระศาสดาผู้ประทับนั่งนิ่งในถ้ำกลางบริษัทเห็นปานนั้นแล้วยืนอยู่นั่นแลพระศาสดาตรัสกับนางว่ากุมาริกาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอจากไปณที่ไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะ เธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาตัดถามปัญหาสี่ข้อกะนางกุมาริกานั้นด้วยประการชนีมหาชนโพธนาว่าผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูธิดาของช่างหูกนี้พูดคำอันตนปานาแล้วแล้วกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่า เธอมาจากไหนธี่ดาของช่างหูนี้ควรพูดว่าจากเรือนของช่างหูเมื่อตัดว่าเธอจะไปไหนก็ควรกล่าวว่าไปโรงของช่างหูไม่ใช่หรือพระศ า, าสดาทรงกระทำมหาชนให้เงียบเสียงแล้วตัดถามว่ากุมาริกาเมื่อเราก่าวว่าเธอมาจากไหน เพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่ะพระองค์ย่อมทรงทราบความที่หม่อมฉันมาจากเรือนช่างหูแต่พระองค์เมื่อตัดถามว่าเธอมาจากไหนย่อมตัดถามว่าเธอมาจากที่ไหนจึงเกิดแล้วในที่นี้แต่หม่อมฉันย่อมไม่ทราบว่าก็เรามาแล้วจากไหน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 เพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบหม่อมฉันพูดถือกระเช้าได้รอดเดินไปยังโรงของช่างหูพระองค์ย่อมตัดถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจากเกิดในที่ไหนก็หม่อมฉันจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบว่าจากไปเกิดในที่ไหนลำดับนั้นพระศาสดา ประธานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สองว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วแล้วตัดถามแม้ข้อต่อไปว่าเมื่อเช่นนั้นเธออันเราถามว่าไม่ทราบหรือเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าทราบอุมาลิกาพระเจ้าค่ะหม่อมชั้นย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมชั้นเท่านั้น เหตุนั้นจึงกาบทูลอย่างนั้นลำดับนั้นพระศาสดาประธานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สามว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหลเธอแก้ได้แล้วแล้วตัดถามแม้ข้อต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธออันเราถามว่าเธอย่อมทราบหรือเพราะเหตุไรจึงพูดว่าไม่ทราบกุมาริกา หม่อมชันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมชั้นเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่ย่อมไม่ทราบว่าจากตายในเวลากลางคืนกลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้นในการชื่โนโอนเพราะเหตุนั้นจึงพูดอย่างนั้นคนมีปัญญาชื่อว่ามีจักษุลำดับนั้นพระศาสดาประทานสาธุการ ครั้งที่สแก่นางว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วแล้วตัดเตือนบริษัทว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคําชื่อมีประมาณเท่านี้ที่นางกุมาริกานี้กล่าวแล้วย่อมโพธนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะจากสุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียวจากสุ คือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่นแลเป็นผู้มีจักสุดังนี้แล้วตัดพระคาถานี้ว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปในสวรรค์เหมือนนกดุดแล้วจากขา่มีน้อยฉนั้นในเวลาจบเทสนา นางกุมาริกานั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเธอได้เป็นพระโสดาบันก็เพราะเธอได้เจริญมรณสติทุกวันตลอดสามปีดังที่ท่านได้ฟังแล้วว่าแม้จะมีชนเป็นอันมากได้ฟังพระธรรมที่ตัดสอนให้เจริญมรณสติพร้อมกันกันกบเธอยกเว้นแต่เธอผูด้เดียวพวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ได้เป็นผู้ขนขวายแต่ในกิจการทางโลกของตนตามเดิมเมื่อพระศ า, าสดาทรงจาริกกลับมาที่เมืองอาราวีและตัดถามปัญหาสี่ข้อกับเธอมีแต่เพียงเธอผู้เดียวที่เข้าใจคำถามเหล่านั้นเราพึงคิดอย่างไรเราพึงคิดเรื่องบารมีทิดาช่างหูกเคยปฏิบัติธรรมมาแต่อดีตชาติเพราะเหตุนี้ เมื่อพระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูโลกในเวลาใกล้รุ่งจึงทรงเห็นนางกุมาริกานั้นในพยานของพระองค์พระศาสดาเสด็จไปเมืองอารวีเพื่อโปรดเธอทรงสอนการเจริญมรณสติเพื่อประโยชน์แก่เธอที่ดาช่างหูประทับใจพระธรรมเทศนานี้ยิ่งนักเธอชอบมากในหมู่พุทธบริษัทที่ได้ฟังร่วมกันมีเพียงเธอ ที่น้อมพระพุทธโอวาสเรื่องมรณสตินั้นมาปฏิบัติเธอเจริญมรณสติทั้งกลางวันและกลางคืนติดต่อกันตลอดสมปีนับแต่ได้ฟังพระพุทธโอวาสนั้นปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ของอัตมาบางท่านที่ปะเอาต่อยะนี้สมัครใจที่จะเจริญมรณสติถ้าเขาให้ความสําคัญต่อมรณสติจริง ความสังเวชจะเกิดแก่เขาเขาทราบว่าในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขาจากตายเช่นกันความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เกิดความสังเวชและเขาจะไม่ประมาทจากเพียงเจริญสติในอารมณ์กรรมฐานอยู่เสมอแม้ว่าท่านยังไม่อาจเจริญมรณะสติตามแบบแผนโดยการเข้าอัปปนาสมาธิก่อน ท่านก็สามารถมนสิการถึงความตายได้ดังนี้เช้านี้เราอาจตายวันนี้เราอาจตายคืนนี้เราอาจตายถ้าท่านมนสิการเช่นนี้แล้วแล้วเล่าเล่าทุกทุกวันท่านจะเป็นผู้ไม่ประมาทท่านจะตั้งมั่นในความเป็นกุศลท่านจะไม่เสียเวลาเปล่าถ้าท่านไม่ลืมระลึกถึงความตาย ท่านจะตั้งจิตไว้ในอารมณ์กรรมฐานได้เสมอเมื่อท่านให้ความสำคัญต่อมรณสติความสังเวชจะเกิดแก่ท่านและเมื่อพักกรรมฐานาจารย์สอนให้ท่านเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบถ้าบารมีเก่าผนวกกับความเพียรในปัจจุบันของท่านมีกำลังมากพอและวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้า มรรคยานและผลยานจะบังเกิดขึ้นคนสมัยปัจจุบันยังสั่งสมบารมีได้ไม่สูงเท่าระดับคนสมัยพุทธกาลในสมัยนั้นมีชนเป็นอันมากได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้แก่พระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์หลังจากเพียงสดับคำตัดสอนของพระศาสดา ในปัจจุบันนี้ยากที่จะพบผู้เปี่ยมบารมีเช่นนั้นจริงๆถ้ากล่าวในเชิงปฏิบัติแล้วหมายความว่าบรรพชิตและข้ารือหัดในยุคนี้ไม่อาจจากบรรลุมรรคยานและผลยานได้โดยแค่การสดับพระธมเทศนาคนสมัยปัจจุบันจำเป็นต้องปฏิบัติกรรมฐานไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบ เมื่ออัตมาไปสอนกรรมฐานที่สิงโคโปร์คาราวาชายท่านหนึ่งถามว่าจําเป็นต้องเจริญกรรมฐานอย่างเป็นระบบแบบนี้ด้วยหรือครับในสมัยพุทธการชนเป็นอันมากได้บรรลุเป็นพระอริยะหลังจากเพียงสดับคําตัดสอนสั้นๆท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมทีระขั้นอย่างเป็นระบบหรือครับ จำเป็นต้องปฏิบัติศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาอย่างเป็นระบบหรือครับอัตมา ต, ตอบว่าใช่และอธิบายว่าเราไม่เหมือนกับคนสมัยพุทธกาลเราอยู่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นยุคที่เราจำต้องทำให้ถูกต้องตามปฏิปทาอันแท้จริงของพระไตรสิกขา และปฏิบัติไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบแม้แต่ที่พระเอา้าตอยะลูกศิษย์บางท่านก็ถามอัตตมาว่าจำเป็นต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานด้วยหรือครับไม่เห็นมีใครสอนนอกจากที่พระเอา้าผู้ที่เคยตั้งคำถามนี้ขณะนี้กำลังยิ้มและตอนนี้เขากำลังปฏิบัติรูปกรรมฐาน คำตอบก็เป็นเช่นเดิมอีกคือใช่ในยุคปัจจุบันโปรดยาหวังจะได้เห็นพระนิพพานโดยปราศจากการปฏิบัติตามคำสอนทีละขั้นอย่างเป็นระบบในวันหนึ่งข้างหน้าอัตมาจะให้อัฏฐาอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งที่อัตมาต้องการแสดงแก่ท่าน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการแสดงธรรมครั้งนี้ก็คือที่ดาช่างหูกนั้นหลังจากได้สดับพระพุทธโอวาดก็ได้ปฏิบัติตามอย่างจริงจังเธอเจริญมรณะสติทั้งกลางวันและกลางคืนทุกๆวันเป็นเวลาสามปีนับจากวันนั้นจนกระทั่งพระาศาสดาเสด็จกลับมาที่เมืองอารวีอีเพื่อโปรดเธอ ตัดแสดงธรรมเพื่อให้เธอดำรงอยู่ในโสดาปติผลและเทศนานั้นได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนถ้าท่านได้อยู่เฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จะตัดสอนท่านโดยทางตรงถ้าท่านได้สั่งสมบารมีมาบริบูรณ์แล้วพระาศาสดาจะตัดสอนกรรมฐานที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของท่าน เพื่อให้ได้บรรลุพันิพาันอย่างรวดเร็วขณะ น, นี้ท่านไม่ได้อยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าอยู่ต่อหน้าอัตมาอัตมาทำได้เพียงการสอนวิธีเจริญกรรมฐานทีระขั้นอย่างเป็นระบบซึ่งสอนไปตามพระพุทธพจน์ในปัจจุบันนี้การทำตามคำสอนและปฏิบัติอย่างเป็นระบบไปวันต่อวันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แม้ว่าท่านไม่อาจบรรลุพานิพานในเวลานี้การปฏิบัติอย่างเป็นระบบก็มีอานิสงส์และจกช่วยให้ท่านบรรลุพานิพานเห็นอมตะธรรมได้ในอนาคตตอนนี้เชิญติดตามต่อเมื่อทิดาช่างหูกได้สดับพระพุทธดํารัสว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้ง น้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจากข่ายมีน้อยฉะนั้นในเวลาจบเทศนาทิดาช่างหูนั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทิดาช่างหูตายไปเกิดในดุสิตพบแม่นางกุมาริกานั้นได้ถือกระเช้าได้รอดไปสู่สำนักของบิดาแล้ว แม้บิดานั้นก็นั่งหลับแล้วเมื่อนางไม่กำหนดแล้วน้อมกระเช้าได้รอดเข้าไปอยู่กระเช้าได้รอดกระทบที่สุดฟืมทำเสียงตกไปบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วฉุดที่สุดฟืมไปด้วยนิมิต ท, ที่ตนจับเอาแล้วนั่นเองที่สุดฟืมไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อกนางทาการะณที่นั้นนั่นเอง บังเกิดแล้วในดุสิตพกลำดับนั้นบิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสรีระทั้งสิ้นเปื้อนด้วยโรหิตล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกใหญ่บังเกิดขึ้นแก่บิดานั้นเขาร้องไห้อยู่ด้วยคิดว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเพื่อยางความโศกของเราให้ดับได้จึงไปสู่สำนักของพระาศาสดากลบทูลเนื้อความนั้นแล้ว กับทูลว่าพระเจ้าข่าขอพระองค์จงยัางความโศกของข้าพระองค์ให้ดับพระศาสดาทรงปอบขาวแล้วตัดว่าท่านอย่าโศกแล้วเพราะว่าน้ําตาของท่านอันไหลออกแล้วในการาบเป็นที่ตายแห่งทิดาของท่านด้วยอาการนี้นั่นแลในสงสารมีที่สุดที่ใครใไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้ําแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ ดังนี้แล้วจึงตัดอนัมมตักขสูตรเขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับภาพศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานบรรลุพระอรหันต์แล้วดังนี้แลด้วยการเจริญมรณสติที่ดาของเขาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนช่างหูได้บรรลุเป็นพระอรหันติ ยังอานิสงฆ์มากแก่ชนทั้งสองและนําให้พวกเขาไปสู่การหลุดพ้นดังนั้นเราพึงมณสิการถึงการตายและเจริญมรณสติทุกๆุกวันเราพึงเจริญมรณสติอย่างขยันหมั่นเพียรและเป็นระบบในวันหนึ่งเราพึงตายแน่แท้ในวันที่เราเกิดคนอื่นยิ้มแย้มในขณะที่เรากําลังร่าไห้ แต่ในวันตายของเราคนอื่นจะร่ำให้เราควรจะโศกเศร้าเช่นเดียวกับพวกที่ร่ำให้ไหมเราไม่ควรเศร้าถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างขยันหมั่นเพียรจนได้เป็นพระอริยบุคคลเราจะไม่ตายด้วยการร่ำให้เราจะตายด้วยรอยยิ้มฉะนั้นขออำานวยพรให้ท่านได้เจริญมรณสติ ขออำนวยพรให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทขออำนวยพรให้ท่านบรรลุพระนิพพานอมตะธรรมในปัจจุบันชาตินี้ขออำนวยพรให้เราทั้งหลายบากบัน่นเพียรอุตสาหะเพื่อความหลุดพ้นสาธุสาธุสา ธ, สา ธ, สาธุเจริญพรและเมตตาเลวตะภิขุพระเอาตอยะ หมายเหตุพระอาจารย์เลวตะแสดงพระธมเทศนานี้เป็นภาษาอังกฤษวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2548ที่พระอาตอยะเมียนมา